อขอจเจริญพรญาติเเจมพุทธบริษัททั้งฝ่ายบรรพจิจฉิตและกระลือหัสวันนี้เป็นวันธรรมสวณนะเป็นวันพะระแลมแปดข้ามเยนยี่วันเวลาก็ล่วงไปรวดเร็วเรือเกินถึงวันพระแล้วคือวันนี้ทิ่มเมตราก็ล่วงเลยไปตามวันพระเหมือนกัน ก็หมดโอกาสมันก็ย่อยไปตายผ่อนคล่องทุกวันรวดเร็วไปได้อย่างหน่าใจหายแต่ปัญหามันอยู่ที่ว่าเราคาดความดีอะไรไว้บ้างกับเวลาที่มันรวดเร็วไปเช่นนี้เนี่ยเราได้ประโยชน์อันใดบ้างประโยชน์นั้นเป็นคุณหรือเป็นโทษได้สองอย่างเท่านั้นคุณหรือโทษ ประโยชน์ที่จะพึงได้บุญหรือแบาบปกกศลหรืออกโกศลดีหรือชั่วประการใดได้สองข้อเท่านั้นแต่ท่านจะเอาข้างไหนมากน้อยเทียงใดแล้วแต่ท่านทั้งหลายทั้งบรรพชิตดกบลิหัตวันนี้จะชี้แจงถึ้งเรื่องปะจินกะอีกเช่นเดียวกันชีวิตนี้คงไม่สิ้นหวังแล้วท่านทั้งหลายเ อ, อ๋ย อาจจะไม่เข้าใจคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าลึกซึ้ง <c oughs> สขุมคับคภาพยากมากี่จะตีความหมายแต่ข้อเท็จริงนั้นท่านสอนง่ายที่ถุกแล้วแต่เราตีความยากเราไม่อยากสนใจยากปากพอกคือมันง่ายทาไปสนใจที่ไม่ได้ที่ไม่ควรจะได้อรตมมาพูดมานานแล้วที่ได้ไม่เอาไปเอาที่ไม่ได้ จิงไม่ชอบไปชอบคือไม่จริงทุกสิ่งก็หลอกเปลียงชีวิตถูกใจเสมอความถูกต้องไม่อยากได้ชอบจะเอาตามถึกใจตามอารมณ์ตามใจเราตลอดเลยการไหนเลยล้าท่านจะดีตรงไหนจะได้ตรงไหนล่ะมันจะขาดทุนอย่างก็อยับมันจะเสียเวลาไปที่รวดเร็วเช่นใะนวิ่เน่เพราะเหตุาดตอบทันทีว่าชีวิตเราหมดค่า ไม่มีค่าแล้วเวลาจึงไม่มีประโยชน์มันจ้องวิ่งไปได้รวดเร็วเอาแต่ความถูกใจความถูกต้องไม่ได้สนใ จ, จแล้วเอาแต่ถูกใจถ้าไม่ถูกใจแล้วมันก็โมโหโกรธาชอบไม่ชอบคนนั้นไม่ชอบคนนี้เพราะไม่ถูกใจอย่างนี้มีมากมายร้อยละแปดสิบ แต่ความถูกต้องของชีวิตนี้เน่ยไม่น้อยเหมือนน้าย้อยบอกตาอะไรเ่าจะดีเท่ากับชีวิตอันมีค่าเวลาที่จะมิตรโย ต, ต่อตัวท่านอันนั้นหาจายาจายาได้ทำความลาบากใจเลยขอ้อคิดเห็นเท่พระพุทธเจ้าสอนนั่นง่ายที่สุดแต่เราไม่ทำกันเอง ไม่ปฏิบัติเอาถ้าอารมณ์ของตัวเองเอาแต่อารมณ์เอาแต่ขมผิดไม่ได้แล้วก็เอาแต่ถูกใจพอใจได้ชอบใจเท่านั้นหรือ่านจะผิดหวังติดตามเวลาที่หมดไปแล้วนั้นจะไม่ได้ประโยชน์โอดสุนผลอีกต่อไปแล้วท่านทั้งหลายเอ๋ยทั้งบรรพิตจักรหหัดทั้งจะเถราเนืเถระาวันนี้ ล้าทิศก็หมดไปแล้วทายมาพับไปนานแล้วดับแล้วเรื่อรัดอัะดงคด ต, ตกไปนานแล้วพอสมควรแต่เราก็ได้อะไรต่อวันนี้เน่าตั้งแต่เช้ามาเนี่ยท่านคำนวณชีวิตของท่านถึได้อะไรเป็นหลักได้อะไรไว้บ้างไม่ได้เลยเ้าตั้นทิ้งไปตามวันเวลา ชีวิตท่านจะมีค่าได้ไหมเวลาก็หมดไปแล้วคชีวิตก็หมดไปตามวันเวลาก็แก่ลงไปหนึ่งวันแล้วเดี๋ยวค่ำคืนวันนี้ก็จะผ่านไปได้ง่ายเหมือนกลางวันเช่นเดียวนนกันกลางวันผ่านได้กลางคืนมันก็ผ่านได้วันนี้มีได้พรุ่งนี้ก็มีได้วันนี้มีไม่ได้พรุ่งนี้จะมีได้ไหม ตรงนี้จะมีไม่ได้เลยบาปบุญคุรท่อก็เช่นเดียวกันความจริงของชีวิตก็เช่นเดียวกันลำาลึกเหตุการณ์ได้ไหมไม่ได้บุญบาปมีจริงไหมวันเวลามีจริงไหมชีวิตนี้แล่นแค่ได้จริงไหมถ้าทา่านตีค่าชีวิตดะวันนี้มีได้พรุ่งนี้มีได้วันนี้เกิดมาจากเมื่อวาน มวืวานเกิดได้วันนี้มันก็เกิดได้วันนี้เกิดได้พรุ่งนี้มันก็เกิดได้ชาตินี้มีได้ชาติหน้าต้องมีจริงชาตินี้มีไม่ได้ชาติหน้าไม่มีจริงทำนาปีนี้กินปีหน้าค้าขายวันนี้กินวันหน้าสร้างความดีวันนี้จิดใจมันก็ได้แล้วแต่ผลมันจะได้ในวันหน้าเราจะรู้ตัวว่าเราดีหรือชั่ว ได้หรือเสียเราต้องรู้ตัวดี๋นี้ว่าทําไปเนี่ยได้หรือเสียมันจะรู้ตัวเป็นปัจจิตตางเวทีจับโพวินดูฮิรู้ได้เฉพาะตนที่ทําเท่านั้นคนอื่นไม่ไปมาทํามันจะได้หรือประการใดขอกล่าวไตาเต้นให้ท่านฟังในวันนี้ได้จะพูดชีวิตนี้อันไม่สิ้นหวังว่าชีวิตนี้มันแล่นแทนมันผ่อนคลายตรงไหน ชีวิตนี้ได้ดีถ้าเหตุไดขอท่านติดตามฟังต่อไปณนะโอกาสบัดนี้ขอจเจริญพรแล ะ, จะเจริญโุกโดยโดยทั่วกันณนะโอกาสบัดนี้ <c oughs> ท่านที่น้องที่รักทั้งหญิงทั้งชายโอมาทุกอุบาติกาผู้ใคร่ทม ท่านมาไค่ทำในประสาทสนานี่มาปฏิบัติทำจริงไหมอาจจะมาเห็นหนอแหละจริงบ้างไม่จริงบ้างจริงจริงจำจำจ ำ, จำบักอย่างนี้ทำงา น, นแต่คนจริงก็หายากายก็จริงถ้าหญิงก็แท้ถ้าเป็นคนแก่ที่นามวิชาชายไม่จริงชายก็เบนหญิงก็ไม่แท้คือหยังก็กระาก็หั่ว เลาะโนงเลาะนี่อย่างนี้หรือแต่เข้าไปแท่งทิ้งไม่มีใครนับหน้าถือตามันอยู่ตรงนี้ท่านมาปฏิบัติทำจริงไหมจริงหรือไม่ถามตัวเองเลยนะมาปฏิบัติทำไมมาแลกบุญมาแลกของอย่างโน่นอย่างนี้หวังผลตอบแทนเหรอผิดหวังกลับไปอย่างที่น่าคีดไดชีวิตนี้คืออะ ทำนาปีนึกถึงเดี๋ยวนี้ทัำไหมทางตัางหลายโจ ท, ท, ทย์ิดซื้อิตนี่คืออะไรบาปบุญคุณททูทอทีแล้วสะสมเข า, เขาวใ้ใชัยหรือมใช่หรือไม่แปลการใดทางบอกว่าอ๊อบุญบาปไม่มีจริงชาตินี้ไม่มีจริงชาติหน้าไม่มีจริงท่านเกิดมาจริงยึบหละ่ะชาตินี้มีได้ไหมไมีหน้าชาตินาต้องมีจริง วันนี้เกิดจากเมื่อวานเมื่อวานเกิดมาถึงวันนี้เนี่ยวันนี้ก็คือวันพรุ่งนี้ต่อไปในแตชาตินี้เกิดได้าชาติหน้าก็เกิดจึิงมีทุกสิ่งหญิงย่างท่านทั้งหลายตีความออกไหมท่านมาปฏิบัติธรรมเนี่ยขอเจริญพรพระประทานโทษสดอภัยเถิดท่ามาสร้างบุญหรือสร้างบาปท่านมาสร้างผู้สมหรือผลบุญ และท่านทั้งหลายมาสร้างความดีหรือความชั่วทิดด้งเหลืทุกคนถ้ามาสร้างความดีทิ้งทั่วไว้หม ด, ดทิ้ถิ่มนะเอาออกให้หมดอย่าเอามานะเสียใจยด้วยระเพศที่สองสร้างความดีไม่เดือดดีมันม้วนดีกรรมบางเพราะมีชั่วเต็มกระเป๋าเต็มกระเป๋าไม่รู้จักจะทายชั่วออกไป แล้ดีมันจะได้ไหมยอดโยมดีไม่ได้เพราะอิ่มด้วยความชั่วความดีมันจะเข้ามาได้มันอิ่มด้วยความชั่วเต็มเป้าเต็มกระเป๋าเต็มกระสังตเต็มกระชังเต็มจิตเต็มใจเต็มกระเป๋าเต็มอกเต็มอกเต็มอกเต็มใจแล้วทุกเรการไหนเลยแล้วความดีนั้นจะมีช่องเขาัา ถ่ายเอาความชั่วออกไปเหมือนคนที่เต็นลาไม่มีคนเข้ามาก็มันเติมถายออกไปแล้วจะมีคนเข้ามาแทนได้ได้ไหมได้ท่านไม่ถายบาปนี้มาทําบุญปาฏิ์ูเลยแต่เอาบาปมาด้วยเอาบาปมาด้วยนะบุญจะไม่ได้เลยนะท่านมาทําบุญต้องละบาปอย่าเอาบาปมาทําไมให้เดือดร้อนในวัด เข้าวัดต่อไปเป็นอุบาสกอุบาสิกาเป็นพระสงฆ์องค์เจ้าขอไปเป็นผู้ประเสริฐพระล้ำเลยมีคนกราบไหว้บูชาอย่างนั้นมาวัดต้องการอะไรหรือขอฝากว่าอย่างนี้เป็นต้นท่านมาวัดยามาหาเรื่องในวัดอาตมาเห็นหลายวัดแล้วหนุ่มเขาข่าวมาเนี่ยไม่ขี้โกนหัวล้น มาแล้วมาแล้วฉันดูไปปฏิบัติมาสิบห้าหกวัดไม่ได้สักวัดหนึ่งหาเรื่องเข้ามาทุกวัดอย่าเลินนะเข้ามาวัดก็มาบาเพ็ญบุญบาเพ็ญกุศลอย่ามาหาเรื่องกับพระอย่ามาหาเรื่องกับวัดถูกหรือไม่ท่านบัณฑิตทั้งหลายถ้าท่านตองการบุญอย่าไปฟังเสียงนอกเสียงกายเสียงบ้าเสียงบอ ฟังเสียงตัวเองฟังเสียงครูอขอนอย่าไปเสียงฟังไอห้หน้าหน้าพระพลาไอ้ยิงข้างต่างชนีมันมีทั่วางวัดไม่ดีทั้งตลอดวัดแยกขอเจริญพรมาบวชที่วัดนี้ทุกองค์ไม่ใช่ดีทุกองพระมีเปอร์เซนต์บางแห่งก็9ก้าจุดก้าบางแห่งก็หกเปอร์เซนต์หกสิบเปอร์เนต์ บางแห่งก็คืสอทองเขายังมีเปอร์เซ็นต์ะก็ต้องมีเปอร์เซ็นต์อย่าไปซือสาหความธรรมะไปดูกันอย่า ง, งานั้นยมก็ไม่ได้อะไรท่นี่ไปเปิดดูแลลวถ้ายอมติดชั่วมาชอไปเปิดดูของชั่วไปหาของชั่วสวรวันยังข้ามเลยหาตําหน่ตีเยียนให้ได้มาหาเรื่องอย่างนั้นหรืออย่างไรขอจเจริญพร อ, อย่างนั้น ในวัดนี้มีคนหลายประเภทมันมีหลายเปอร์เซนต์พระยังมีหลายเปอร์เซนต์พระที่มาถาวายอย่างทองเหลืองก็มีตะเกียวก็มีทองแรงก็มีแล้วก็ดินเผาก็มีเผาไม่สุกก็มีเอาอย่างไรไม่ใช่ดีทุกองคมาบวชทุกองค์ดีทุกองรอยป์เซนได้เหร อ, องมันก็มีไอ้พวกน้ำประสานมันมันเข้าไปมากมันก็ทําให้ทองลดเปอร์เซนต์ หากำเนิดมีไม้อย่างนั้นทองเก้าเก้าร้อยเปอร์เซไม่จงหาไม่มีที่ไหนร้อยประเซ็นตมีแต่เก้าจุเก้าคนนับวันนี้ที่สุดแล้วทองเสียให้เก้าจุเก้าและโยมเป็นทองจุดอลายาเป็นทองจุดอลายาพระทองเหลืองทองแลนตาตือก็มีพระใจประเสริฐก็มีพระลํำเนิอก็มีพระเพลินก็มีพระภายก็มี มีหลายพระมีหลายพระพระพายพระเพลิงก็ร้อนหน่อยอยากจะร้อนหน่อยมันหนาวก็เข้าไปหาพระเพลิงมันจะได้อิ่นดีอ่ามันเย็นจัดเกินไปก็ไปหาพระเพลิงอา่าไฟผินบ้างถ้าเป็นพระเพลิงอย่างนั้นก็ทําให้ช่วยได้บางประการและช่วยไม่ได้บางประการ ขอฝาจะโยงไปตีความหมายและคลึกโดยทั่วนาการด้วยไปวัดจะขอให้ตั้งตนเป็นอุบาสกขอให้ตั้งตนเป็นอุบาสิกาปฏิบัติธรรมอย่ามาหาเรืองมาจับเปลี่ยงเวลาชีวิตจะไล้ค่าเวลาจะไม่มีประโยชน์เรากลับไปแล้วจะไปได้บาปออกจากวัดไปมันจะเดือดร้อนนากาประการ พเพาเจริญพรไม่กล่าวว่าไปว่าพระทะเลาะคา้วาที่อยู่ในวัดนี้มีหลายเปอร์เซนต์เขามาช่วยงานเรานะไม่เดจาจ้างเขามาแลวอย่าไปว่าก็เลยคนมันก็ดีแค่นี้ดีอีกไม่ได้เปอร์เซนต์มันแค่นั้นจะทำอย่างไรตะกัวนี่ให้เป็นทอ ง, ทองคำไม่ได้ทองคำอย่างไรก็ต้องไปทำให้เป็นตะกัวไม่ได้ มันจะใายโต้อดหรือมันจะขุดหลุมฝังมันก็ยังกำลังคังอยู่นั่นองค์นี้ขอฝากไว้โยมตั้งใจตัดปริีพศใชนะหอย่ามาพูดอะไรกันในวัดตัดปรีพศกังวลซะตัดทิธฐิมานะซะโยมเป็นไปยาโทเอกเอาตาราทิ้งวัตถิมาเอาวิชาทิ้งไว้บ้านหมดเอาความที่ตรงใสเข้ามาแล้วก็มารับตำราเก่าคือตำราใหม่ ความดีที่มันผุดขึ้นมาจากดวงหัวใจเรียกว่าภาวนาถึงจะได้ทนไม่เห็นอาหารเข้าไม่พอใจเห็นคนนั้นพูดอย่างนี้คนนี้พูดอย่างนั้นไปไปถือสาหาความอย่างนี้โยมจะมไม่ใหญ่บุญตั้งใจมาปฏิบัติอย่าไปสนใจกับคนอื่นสนใจตัวเองให้มากคือสดเท่าที่จะมากได้ อย่าไปสนใจไอ้บาบอคอแตกโยมนี่จิตใจต่ํามามันก็ชอบไปทะเลาะ ก, กันชอบไปห้าเหลี่ยงกับพระบะ้างหาเรื่องกับคนโน่นคนนี้บ้างโยมจะโยมเข้าวัดขอให้เป็นอุบาจกเข้าวัดขอให้ตั้งใจเป็นอุบาสิกาในพศาสน า, าเถิดโยมจะได้ที่พิจารณากลับต่อเคยกลับไปบ้านบ้านโยมจะเป็นเถิดถีมหาเถิดถี จะได้มั่งมีสิสุกไปวัดต้องร้อยวัดยังไม่ไดาอะไรชักวัดเลยชูหลือก็ไปหาเรียบกับวัดไปหาเรียบกับพระไปหาเลี่องอย่างนั้นโยมจะเปลี่ยนเวลาถ้่เหตุผลของบัณฑิตทีวิตรหลายเสและต้องตัดปรีพ่อกังวลก่อนมาอย่ามาจิ้นจิ้จ้ำจ้ำที่จะมาพูดไว้นาแล้วไปเรื่องจริ้มมาจิ้นซะหน่อยส่งแตนข่อมมันเหรอ แล้วก็มาเขือจึ้ม น, น้ําพริกเท่านั้นหรือหรือขอน้ํานยาก็ขนมกินกินอย่าอร่อยยีเท่านั้นหรือไม่ใช่ไม่ใช่กินจินจับจับกินธรรมะให้มันอิ่มได้ไหมอย่าไปกินไอ้พวกของที่มีพิษต่อร่างกายไอ้ฟังเสียงเนี่ยมันมีพิษ ก, กับติตใจใช่ไหมได้ไหนได้โยโมเนี่ยจะปฏิบัติได้แล้วกลัไม่ได้อะไรไปกลับไปบ้านก็ไปนินทา ถ้าค้นปฏิบัติกรรมาฐานได้แล้วนะถ้าไม่ทําต่อกลับไปบ้านใจมันจะร้อนไม่ได้อย่างใจก็เสียงด่าผัวมนนั่งบ่นเมียบ้าเขาก็าามาว่ามาว่าร้องพอครับพัญญาผมนี่ไปนั่งกรรมฐานหลวงพ่อสอนอย่างไรกลับมาบ่นผมวันยังข้ามแล้วด่าผมด้วยไมไ่เคยกําหนดจุดเลยเหล่าแม่คูณแม่ทูนหัวไม่เคยตั้งสติเลยเอาศีลทิ้งไว้ที่หลังวัด เอาพองหนอยุบหนอทิ้งล้างวัดหมดแล้วไปไปหายใจเอาบ้าบอเข้ามาแทนเงนี้นเหรอหายใจเข้าก็ไม่รู้หายใจออกก็ไม่รู้เลยก็ไปบ่นผัวผัวตะโถโทรศัพ์มาที่วดัดหลวงพ่อสอนอยังไงนะพวกมาสมณก่อนดีเนะี่ยกลับมาจากวัดพวนนะันเนี่ยเป็นหมีกึ่งเพิ่มเลยบ่นโตเ จ, จ็บเจ็ดนี่เลี่ยงจริงที่วัดนี้ขอฝากไปทุกคนคะรั้งเหตุดา พอเลิกออกจากวัดเลิกกำหนดจิตเลิกตั้างสติเลยเอาสติทิ้งข้าที่หลังวัดเลยไม่มีเลยหัวเหวเหหันไม่ตั้งอยู่ในศินสมาธิปัญญาเหมือนที่สอนเอาศินสมาธิปัญญาไปทิ้งสติสัมมชัญญะก็ไม่มีก็ขุนจิตสติหมดเขวนควางเหมือนเรือขาดทังเสือ ก็ลอยเคลื่อนความฟางทะเลหมุนไปหมุนมาไม่ถึงฝั่งภาคแต่ประการใดไหนเลยแล้วจะได้ของดีที่เกยโยมมานั่งปฏิบัติเกิดวันเคร่อนคลาดเต็มที่เลยพอออกจากวัดไปทิ้งเลยทิ้งของดีเลยนะเลินของดีเลยนะออกเสียใจเกยโยมด้วยเลยกลับไปบ้านก็ใจร้อนสามีทําอะไรไม่ถูกก็บน คลายมันคนเลือกจะมาไปเลือจะมาเลือกจะหายอย่างนี้กลายเป็นคนอย่างนั้นไปเลยเขาก็ว่าจะมาบอกพ่อต่อไปผมไม่ภรรยาไปนะถ้าไปอีกครั้งหนึ่งเห็นจะด่าผมวันยังค่ำเลยมั้ี่ตรงนี้นะขอฝากเลยนะไม่เด้กํำหนดเลยนะไม่มีตั้งสติเลยนะไร้สติขาดสตงางไร้สตางไม่มีสมาธิอย่าเลื่อนอย่าลื ม, อลมขอฝากไว้ นี่เขาตอบว่าจะมาไม่เรือกจนไม่มีคําตอบแหละอย่ใครมานั่งแล้วนั่งไม่จะเอาคําสอนนี่เลยนะเบี้ยวบูททดทําเรืเ่อเบีเ้ยวบูดทำขูดขูดเขี้ยวเขี้ยวทําเรียอเรื่อรถรถคดคดชุกเขี้ยวใช่ได้หรือเปล่าการได้ขอป้าญาโยมไปนะหน ม, มสาวน ม, มสาวมานั่งกรรมฐานเบีเ้ยวถามบอกหนูมานั่งทำมาหมา่ มีแฟนอยู่สามคนอยากจะนั่งให้รู้ว่าไอ้แฟนขลามคนเนี้ยคนไหนเป็นเนื้อคู่ไปวัดใหม่มาเช่วัดนี้มาใช่วัดอัมพรวันนนท์ไปวัดตารเทงอยากจะรู้ว่าคนไหนเป็นเนื้อคู่หรือผิดวัดเนี่ยมากันเบี้ยวๆอย่างเนี้ยมันก็ได้ของเบี้ยวไปสิมาแบบบูดอย่างนี้ได้ของบูดไปเลยนะนี่คือวัดนี้เป็นสาวหนะ้าดูปริญญาโททําไมฮนะเราบัณฑิตจสา ม, นมคนมาละ หนูอยากจะรู้เขาบอกให้นั่งกรรมฐานา ม, มานั่งกรรมฐานรู้น่ยสามนคนเนี่ยคือไหนเปนเนักบุญยังโง่อยี่เนี่ยบัณฑิตยังง่อยะเนื้อคู่แปลว่าอะไรแม่เขาสาวตอบให้ฟังซิมีสามมีมแล้วตอบให้มาฟังดูนี่เนื้อคู่คืออะไรตอบเนี่ยตอบให้ถูกนะมีผัวมีเมียได้ตอบให้มันถูกนะมีไม่เคยมีตอบถูกนะเอาไง เมี่ย ค, ยไไคยรูเป็นไงฮะเป็นยังไงเนี่ยมีลูกมีเต้าก็ะทั้งนั้นเนี่ยมีไม่จริงเนี่ยตาสาวแค่แก่แม่มาอย่างไงก็ตา ม, มถ้าไม่รู้จริงอย่าไปมือพ่อเพื่วมันจะทุกก์เนี่ยเมียมาที่วัดเนี่ยอันดับหนึ่งครอบครัวมีความสุขเลยนี่ร้องไห้สะดาษทุกวันเอาขี้หูเข้ามาหาขี้ตามาให้เรื่องครอบครัวมันมีความสุขตามไม่คนหนึ่งก็อสองผิดหวังในชีวิตขาดสติสมชัญญายะไปโลกทำสมัย โกรกภาษากันเยอนะแยะอันดับสามมาเนี่ยลูกมาเรียนหนังสือลูกมาเรียนหนังสือระวังเนะียพ่อแม่จะเสียใจนะลูกไม่เอาเนี่ยนะนี่พ่อแม่เนี่ยเป็นเศรษฐีมีเงินไปพันละ้ะไม่ลูกขาวันเดียวปรญญาเทตุลาบนมันตายบัตรนี้มันจะอยู่ก็พผู้ชาช่ไมือเลยนี่มนาะครูหรือเปล่ไงงาลไม่ต้องเติมงานนั่มัต้องเสียค่าถึงสอนเอาอยัางไเอองไเนี่ยเอายังไงเนี่ยเนี่ยเนี่ยผิดหวังนะระวังลูกแมวเอาไหน อย่างนี้ซีเป็นหนี้เขาไม่ทักบางคนมานั่งหลวงพอ่อจะขานั่งซี่วันจะใช้หนี้หมดครับเป็นหนี้เขาสามล้านโอ้โหหลวงพ่อช่วยใช้หนี้หน่อยก็อเอาทีเอาสลาหนีไปเอาสลานีไปเอาไปเอาไวเาาาาาเ้เขา้าธนาคารไม่ใช้หนี้ครับนั่งกรรมฐ า, านให้ใช้หนี้หมดขายืมต่างเข้ามาอาตมาจะตอบให้ฟังหาใช้หนี้เขาที่หาวจะตังไปใช้หนี้เขา มานั่งกรรมฐานมันจะได้มีปัญญาว่าจะไปแก้ไขปัญหาได้อย่างไรนี่ตรงนี้มัใชะนั่งกรรมฐานให้เงินมันไหลามานี่ใช้ได้ฮะนีปัญหาในวัดนี้ยมทึกผิดหลังในการนั่งกรรมฐานเนี่ยขอพาเข า, าด้วยแล้วไปฟังเสียงนอกเสียงกาเสียงพระเอาโน่นบ้างอันนี้เลยไม่ต้องนั่งกรรมฐานเราตั้งใจมาสร้างความดีเอาความดีไปได้ไหมยอย่ า, อาความชั่วไปด้วยเอาอะไรไปอาจะมาดูคนออกเลยมาเนี่ย แม่หนูคนนั้นเนี่ยอย่าไปออกขึ้อแม่เป็นใหญ่เรื่อยนะผลอยากเป็นตโด้วยนะมันนั่งอยู่เจ็ดวันก็ไม่ถึงลอกพ่ออาทิตสี่วันฮะนัดก็แฟนไว้ต้องไปก่อนก็ฉาสีวันเนี่ยอยากจะมาตัดสินใจว่าไอ้คนที่หนึ่งหรือคนที่สามไอ้คนกลางหนูไม่ชอบเท่าไหร่ล้ะไอ้คนที่หนึ่งค่อยชั่วนอนไอ้คนที่สามมันมาใหม่รักมันมากโง่ที่สุดงโง่ที่สุด ย้อนได้ดย้อนถึงเหรอนั่งกรรมาฐานนี่คือพูดเนี่ยมีเนื้อหาสาระนะมันตั้งใรฟังน่อนเนื้อหาสาระนะมันจะมานั่งให้ทายีเ้าหมดนะมาเทออเจกตวานหลวงพ่อครับห้าล้านไปนี่ข้าวบ้านก็จะเขาจะยึดเนะนั่งตรงไหนถึงจะใทายีได้งอที่สดงวที่สดแล้วหลวงพ่อช่วยดูสักขาอาสักสักอย่างฮะใหญ่คนที่หนึ่งที่สามมันแน่ก็ถามเธอดูสิ เธอชอบอีคนไหนลนะ่ะชอบสามคนเอามัน่นทั้งสามคนเลยจริเอางี้เหรอนี่นะ่กากรรมฐานให้มันได้อย่างนี้เหรอแต่ผิดหลังกลับไปอย่างอดีตนายเนะ่ยเขามาสร้างบุญกุศลเขามาจะสร้างบาปอย่างนี้อะไรกันถ้าเธอมีแฟนมากเอาละ่ะจะสอนแบบแท่นประสมนี่เธอปริญญาโทเนะยจะสอนแบบแั้นประสมตีตารางค่ะมีแฟนสิบคนตีก็สิบแผนโลกสวยรวยทรัพย์ นับวิชามีเมายาชาติดีมีถึงธรรมให้คะแนนศึกดูสวยไหมสวยนอกสวยนายให้ศึกคะแนนเรือชาัาไหมเรวยนอกเรือนายเรือชา้าอันตะเสดให้ศึกคะแนนดูสวยยูรันบนับวิชามไหม่อชาไม่มีฮะจึงโฉมโฉมโฉมนะอะไรกันวันได้เดินถึงแต่หาพระมรูเดี๋ยว น, นี้พระมรูเยอะในประเทศเยอะไปจะดูสิวันได้เดินถึงแต่งงานเลยบัตนี้ทิ้นกันแล้ว โือเผื่อรวยชาตินับวิชามีมารยาทไหมเป็นชาติผู้ดีไหมมีถึงธรรมไหมครบถ้วนขบวนวงจรรู้สึกรู้ใจเข้าใจกันด้านเข้าใจกันดีมีปัญญาเติมนานไดน้นึคําสอนพุทธะอาจารย์พุทธะมือมันเนี่ยยังกราบแล้วยังเนี่ยที่ว่ามีการสาวโปรกราบไี่ยังฮะไม่กราบยกมือขึ้นใช่มีอไหมถึงมืออย่ายกมือมันอายครับ อย่าจะบอกเทคนิคว่ะมืออย่ายกมืออย่าบอกแล้วบอกนี่คือประชุม น, นะต่อหน้าทายกรรมนันนะเขาฝากว่าเสียดายเหลือเกินเสียดายไม่เข้าใจบางคนบอกว่าเนี่ยอาจมาพูดบ่อยๆมันขำดีแล้วพ่อฮะนั่งกรรมาฐานมันจีวรผัวจะกลับบ้าพวกพวกอะไรเนี่ยมาสร้างบุญหรือสร้างบาปเอาบุญไว้ก่อนได้ไหม อะไรอะไรเนี่ยเว็นตามตามขนองข้างมันอย่าไปคลึกมันเอาบุญใส่ใจไว้ก่อนคือกรรมฐานพอบุญยอมเต็มเตี่ยมแล้วเพียบเลยวิไงเดียนยวเงินแล้วนองทองแล้วมาเดี๋ยว ม, มีปัญญาไปแก้ไขปัญหาตรงนี้ต้องเอาตรงนี้ก่อนคือมานั่งแรกบุญกันนะหลวงพ่อจนแล้วเกินเขาว่านงางกรร ม, มาฐานรวยรวยยัยงไงในบ้านนั้นเนี่ยมันอยู่พิศโลกเน่ะเดี๋ยวนี้มันย้ายไปอยู่ก ร, รุงเทพ เดีวมันขายดีขายดีเขาว่านางกลัมาถามก็ยอมลองเถอะเดี๋ยวพองเนอยศเนออีหมายขายดีเนอพองเนอยกหนอเดืยกก ล, บลับเน่ะข้าวกราบเน่ะไปขายของเก่งเลยเก่งมันได้อย่างงั้นมาอะไรแล้วมันไม่มีความหมายอย่างงั้นเพาะฝากไว้มีข้าราชก า, าที่เทนทั้งหลายอตาตมาผู้หนึ่ง้ก็จะไปเด็กคนเราเนี่ยน้ําแหลมใครเชื่อมมะนาวกรรไกรเปื่อยใครไปกินทะเลทุระและลําบาก ลำบนใจเหลือเกินคือด้วยเราจึงไม่สิ้นหวังยังมีความดีที่จะมีความหวังในใจอยู่นะขยอมอยู่เรื่อสังกตายไปวันหนึ่งไม่มีความหวังในใจเนี่ยจะไม่มีทางเพราะถ้าพระยูยาแบบสังกตายอยูแบบสังกตายไปวันหนึ่งเท่านั้นเหรือหาที่พึ่งทางใจไม่ได้คนที่มีดีมีปัญญาเขาจะเคารพครูบาจารย์นี่องค์นี้เป็นตนัวอย่าเงเ่าโยมตังค์ักข้อหนึ่ง เรามากระด้เวลาจํากัดวันนี้ต้องพูดให้ฟังให้ชัดเจนนะเนี่ยแต่มาได้ยินขับ พ, พนเนียงเสียงมาเลยเยี๋ยวมาแก้ปัญหามาพูดถึงมันไม่ถูกเรื่องถูกแล้วทั้งนั้นนอกประเด็นกรรมฐานนั้นสิไม่ใช่มานั่งกรรมฐานให้มีสตังนะไม่ใช่ไม่ใช่อย่างนั้นถ้ายอมได้ธรรมะมีบุญวัสนะมระดาเงินไหลนองทองไหลมาเมือนนั้นมาเป็นข้อผิดย่อยกรรมาได้จากคุณยายเยอะ ตอนเป็นเด็กไปเรียนหนังสือกรุงเทพอยู่สี่ปีกลับมาเรียบร้อยก็จะต้องไปเรียนโดนตรีอีกอันหนึ่งแต่มาไปเด็กเนี่ยเราให้ทำรรมาจาริกฟังเนี่ยไปอยู่จะเท่อะไรจะทำน้องนี่นะครูก็อ่อนกับเรากันเยอะไวจุกเลยต้องไปว่าให้กราบไปแข่งต่อเพลงมั้งระวังนะเนี่ยบางคนไม่เอาเนี่ยยืนโย่โสมแมลงป่องเนี่ยไม่เคารพครูบาอาจารย์นะว่าครูอาจารย์จะเป็นอะไรก็ไม่เด็กเคารพครูรับรอง มินก็เมยต่อครัวจากอุปชายวัตรก็ไม่เอาอาจจย์ยวัตรไม่เอารับรองไปไม่หลอดนี่เล่าเรื่องจริงให้ฟังในชีวิตของตมาต้องละบากมากอยู่กระยายยังเป็นเด็กก็ไปอยู่ที่บางแว่กรุงเทพหมหานครฝั่งธนบุรียังเป็นตัวจังหวัดธนบุรีเขาเรียก บ, บางแว่นะนี่จะให้เล่าให้ฟังสักข้อหนึ่งว่าชีวิตของตมาแรงแค้นเป็นเด็ก ก็ไปอยู่ยมี่ลูกบันคุเหลงทาราอายุเก้าสิบเนี่ยเขาเรียกบานสามบันไดใหญ่มากประวัติเดิมของท่านคุณเหลงก็เป็นคนเลี้น้ําชาให้ในกาลที่หกเรื่องโขนอะไรเงี้ยถึงก็ตายไปอยู่ตาลูกหลานจากคุณเหลงนั่นต่อมานะต่อมาก็ไปลูกไปอยู่กับลูกคุณหลงท่านั้นท้าเรียกว่าบานสามบันได ย, ย่าห่วงย่าห่วงบัดนี้ตายไปหมดนะต่อมายังเป็นเด็ก หลวงก็ตายในทีนั้นอายุมากอายุเก้าสิบกว่าตายเราก็ไปอยู่ห้องแถวเดือนละแปดร้อยบาทตองเสียค่าเทินเดือนละแปด้อยบาทให้กับเขาโคนอังคองอุทยธานีจังหวัดสุงศรียาไปอยู่ด้วยกันและที่ไปคนแรกนันก็มีขธรดาจามลอกตืก่นขึ้นนักขวับนี่เล่าให้ฟังนะ เราไปยายสอนนักสอนหนาไอ้หนูเอออยู่บ้านทานอย่าดูดายนะลูกนะปั้นงัวปั้นควายให้ลูกเขาเล่นตมาสวดมนต์เป็นแต่นน เ, ปนนเป็นเดือดเล็กๆยายสอนทุกเรืองการปีสี่ต้องลุกตัดถุงข้าวทำต้มแกงให้ยายใส่บาต ท, ทุกวันถึงวันพระต้องหาไปให้ยายไปวัดทุกวันพระต้องหาบก้อนดินไปด้วย กะบงข้างๆเราสองก้อนเอาไปใส่วัดย้ายบอกว่าไอ้หนูเราเหยียบดินวัดติดเรียกมาบาปนะลูกนะ <c oughs> ต้อเอาดินไปเข้าวัดเดี๋ยวนี้เอาดินวัดขายเลยเอาดินวัดขายเลยนะ <c oughs> นี่คนสมัยนี้มาถึงไม่จเจริญไม่มีความเดินก้าวหน้าแต่ประการใดดูบ้านทานจะดูได้นะลูกนะข <c oughs> ึจ้จกเอาไหว้จุกเด็กผู้หญิงเอาต้องไปไหว้มันนะ แต่คนอื่นเขาไม่วายเด็กเขาไม่ยายเพลงอาตมาก็มานึกยายดอูบ้านทานดูดูดายหยับปั้นงวตั้นกวายอยู่เพื่อนเห็นก็ถูเรือนแล้วก็ไปช่วยเขาถูเขาหุงข้าวก็ไปช่วยเขาหุงข้าเข้าไปรดน้ำทูเรียนรดน้ํำชมก็ไปช่วยเขาลอกร่องท้องไอสวนบางแหวกเขาทําสวนเลยก็ลูกข้างคุณตาคุณปู่ ที่ตายไปแล้วที่เทรยันานาที่รายการมุกเป็นโขนเขาตายไปแล้วอยู่กลูกครับหนูมันนี่ชื่อทาไมต้องไปช่วยลดน้ําถูเหรอทําไมต้องมาช่วยเราถูเหลือเล่าเป็นเลาเจ้าไปลูกตาเหล่าใครไม่ต้องมาช่วยหรอกเพราะว่าเราต้องเสียค่าเทอมไม่ต้องไปหาวิชาของตนเองเพอะนะอย่ามาช่วยเราเลยบอกไม่เป็นไรครับคุณลุงครับ ยาฉ้อนผมอยู่บ้านทานอย่าดูดายป้นมัวป้นควายแกก็หัวลอกก้าเอเด็กคนนี้แปลกมากเด็กคนนี้แปลกมากพอะแปลกครับแล้วก็เดี๋ยวหัวข้ามมาปีชื่อมานะต่อเพลงให้อาตมายังจำได้แม่งเรียกว่าเพลงแคร์โรบบรีกับแขกโอดต่อเพลงฮคลีไม่ต้องเสียสักหน่อยเนี่ยให้ไหม แล้วต้องไหวครูเคารพครูอาจารยา์หยาบหน้าวิชาเขาต้องไปแค้นเขาหน่อยเดี๋ยวนี้ไม่ต้องครูอาจารย์ก็ไปว่าลูกศิษย์แถมลูกศิษย์ด่าให้ซี่ด่าให้อีกไงไม่อยากเรียนหนังสือไงลูกศิยด่าครูอีกไครูลุ่นเก่านั้นไม่เหมือนครูลุนเราต้องไปไหวกราบเท้าเขาถวยถูเลือนมือแดงกว่าจะได้เพลงกว่าจะได้วิชาของเขาเนี่ยใช้เวลานานเหมือนกัน ต่อไปนายโยมคุณลุงก็บอกว่าหลานมาอยู่บเรีเนใหญ่นีเลยไม่ต้องไปเช่าห้องแถวมาอยู่ด้วยการบุญแล้วก็ไม่ต้องเสียค่าเทอมต่อไปนะเก็บเดือนละแปดร้อยบาทไม่ต้องเสียต่อไปแล้วนะบัตรเจ้าต่อเพลงให้ฟรีนี่ยเพราะความดีใช่หรือไม่เราไปไหว้ครูอยู่เสมอไม่มินกมาครูแต่ละการได้ ครูรักครูจำครูเนียครูนำครูผ่านครูสอนอาตมาได้เพลงมากมายกับเขาคนอื่นที่ไปอยู่ด้วยกันไม่ได้เพลงหลักเขาไม่ให้เขาให้เพลงหลักที่เราหนึ่งแครโอดสองโสมสองแขนอีกเพลงหนึ่งลาตีประดับยาวที่รัติการที่เจ็ดท่านแต่งมาร้องด้วยนี่เรายกตัวอย่างให้ฟังว่าเราต้องอ่อนน้อมต่อครูบาาจารย์แล้วก็ช่วยเขาในที่สุด ไม่ต้องเสียค่าเทอมญาวิชาพลีต้องกราบไหว้ครูตลอดเวลาการเดี๋ยวนี้แต่ยังไงครูอาจารย์ต้องไปไหว้ลูกศิษย์ไปไหว้ให้มาเรียนหนังเสือมาไหว้แค้นให้วิชาเดี๋ยวนี้นะมา ต, ตอนนี้มันคนละประเภทละคนเราเดี๋ยวนี้มันจึงจเจริญไม่ได้เพราะว่ามันไม่ไหว้ครูอาจารย์แล้วมิ่งเมยต่อครูอาจารย์ฉะนั้น เลยก็มาเดี๋ยวนี้ยกตัวอย่างอาตมาเนี่ยนะเลยผลุทธาสกลับไปบ้านยายยังไม่ตายจะตายจะตีต่อมายายบอกแม่ก็บอกว่าลูกเอ้หาเขาดีอย่างเงี้ยเอาข้าวสารไปป่ากเขาไอ้คนสวนเขาไม่เดือดรนาอาตา ม, มาเอาไปกระสอบหนึ่งข้าวหอมมะลิเอาข้าวหอมมะลิไปหนึ่งกระสอบข้าวสารแล้วไปลงท่าเทียนแล้วก็จ้างจ้างเรือไปจ้างเรือไป เข้าคลองบางแวกไปคือเรือมีเรือปุกๆเยอะคืนหน้าบ้านคุณหลวงเลยแล้วก็ให้เขาช่วยแบบกเข้าสารขึ้นไปคุณลงุงคุณป้าคุณหน้าคุณอามาเออหนอูอะไรเนี่ยเข้าสารเอามาทำไมลูกเลยยายกับแม่ให้มาฝากคุณลงุงโอ้ยติโถมีน้ำใจอหนอูได้ตำลาจ้ะ ได้เพิ่มอีกแล้วพเพิ่มคื้ยอะมาจ้องเสียเลยเวลากลับมาบ้านให้มาให้พลูกมาฝากแม่กับฝากยาย่าวของเต็มกลับมาเลยเชียวขึ้นเรือที่ท่าเรียมแล้วก็มาลงมาขึ้นที่ปากบางแล้วก็ขวาไปบ้านก็ามานี่นะก็ต้องให้เขามารับหากันแอนไปเลยนี่เห็นไหมได้อะไรเดี๋ยวนี้ไม่มีน้ําใจเลยนะ อตาตมาได้ตำรานี้มาเป็นฝังใจว่าแลนแค้นีนชีวิตเหลือเกินชีวิตคงไม่สิ้นหวังแล้วเราได้ของดีจับยายจยายไปเอาของไปฝากเขานะลูกนะหลานนะอย่าไปจะมือนะหลานนะเราไปขอวิชาเขานะหลานไปลามาไหว้ครูเขานะลูกเอ๋ยหลานเอ๋ยหนูจะได้วิชาที่ดี ที่มีปัญญาเขาจะให้ของดีก่อนจริงอย่างไงว่าให้แขกโอดแขกรบุรีแล้วก็เพลงโสมสองแสนที่ใครไม่มีสมัยนะั้นแล้วก็เพลงลาตรีประดับยาวเขเม่งชายโยกเป็นต้นได้เพลงหลักหมดทั้งหมดเนี่ยจะมาเนี่ยได้เพลงทั้งหมดพันกว่าเพลงเนี่ยอย่างดียังยังจําได้ขอฝากว่านอ่เนความดีที่เราคงไม่สินหวัง เราต้องกระชันอยู่ต่อครูบาาจานเด็กหญิงจกอ่อนกว่าจะมาต้องเป็นสิบสิบปีเขายังเด็กมากดึกจระเทศต้องยกมือว่าครูจกครับขอกราบไหว้ครูครับแล้วก็หญิงใช่เลยนะเรานั่งไหว้มันไอค้ครูจกมันยืนครูจกขู้ญิงและขีม้มโป่งเลยนะแต่ครูจกนี่นะทราบมา ว, ว่าเป็นดอกเตย อ, อยู่ชาติมือกาก เยนหนังสือเก่งมากได้คอบตัวเป็นขลังอย่างนี้ใช่ไหมเนี่ยครูดีมีปัญญาเีญาติมาก็ขอฝากความหวังไว้ว่าชีวิตเราไม่ชื่นอย่างเนี่ยเกิดการกระทำกุตเวชี้ต่อครูบาอาจารย์เลยไม่ชดอยากยอมไหมไม่ต้องเสียค่าเทอมไม่ต้องหุงข้าวรับทานเองเลยก็รับทานที่บันใหญ่เขาเรียกว่าบางสามบันไดไปถามดูได้ว่าปู่ย่าตายายเขายังอยู่ลูกหลานเห ร, ยเรยนยังอยู่ ปู่ย่าตายายก็ล้มหาตายไปจากปะยะเรียกว่าบางแหวกตุงเทพฝั่งทนบุรีจะมาไปอยู่มาเป็นเวลานานพอสมควรนะเนี่ยใช้ตำรายายไปบ้านทำอย่าดูดายปั้งหัวปั้นค ว, วายให้อยู่เขาเล่นไปถูเรือนไปแค่นหาวิชากราบไหว้เขาเขาก็ดีใจเหลือเกินให้วิชาของดีให้หลับเดี๋ยวนี้ลูกศิษตุ้นใหม่ไม่ต้องกราบไหว้ครูแล้วครูต้องไปไหว้ลูกศิษย์พ่อแม่ต้องไว้ลูก ถึงจะถูกต้องมันถึงได้เลวลงทนรณีถึงโศกกันมากมายทาแผ่นดินไหวทั่วประเทศเขตยดนไทยเราขอฝ า, ากญาติโยมไว้ในวันนี้ด้วยการจเจริญวิปัสสนากรรมฐานต้องการตร ง, งนี้ไม่เริ่มพระคุณใครคุณโพบาจารย์ก็ไม่เริ่มได้ไม่เกินพระคุณศรีเรี้ยงไว้และจะไม่เลื่มพระคุณชาติิภูมิมาติภูมิแรงให้เกิดวิชาแรงให้เกิดสภาพความดี ที่เขาช่วยเหลือจวดอุดหนุนมาจะไม่เลิมนี่ตรงนี้คือกรรมฐานและจะไม่เลืมพระคุณเครื่องอุปกรณ์ใช้สอยที่มันให้ความสะดวกเราทุกวันและจะไม่ลืมตัวไม่ลืมตายไม่ลืมมือสองท้าสองสมองหนึ่งไปที่พึ่งนี่คือกรรมฐานขออย่าโยมทาให้ด้ยืนหนอกับไอเดินจงกรมกับพองยุบธนะไม่ต้องอธิบายานนะ ยางก็ไม่รู้เลี้ยงอะไรแล้วก็ขวาย่างรายย่างก็ไม่ได้ยืนหนอก็ไม่ได้เห็นหนอก็ยังทํำไม่เป็นเสียงที่ทสดับก็น่าจะมีสติกําหนดจดจาําแล้วก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเสียงดีเสียงไม่ดีเสียงดีก็เข้ามาจดบันทึกไว้เสียงไม่ดีก็ทายออกไปคือเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปขานห้ารูปนามก็หมดไปสภาพความดีของมนุษย์ที่ต้องการตรงนี้จ้ะ คือการมาฐานเราทำไม่ได้คนเราทำกรรมาฐานน่าจะรู้ว่าความต้องการของมนุษย์คืออะไรยาเล่นคือความรักความนิยมชมชอบความเรื่อมใสจัตธามนุษย์ต้องการความมีไมตรีจิตเป็นมิตรภาพามนุษย์ต้องการอยากได้ไหมความเอาใจใส่ซึ่งใครกันเราอาใจใส่เขาเขาก็อาจใจใส่เราใช่ไหมเนี่ยเราช่วยครูบาอาจารย์ของเราอย่างนี้เขาก็ช่วยเรา เอาใจใส่เขาได้มากเขาเอาใจใส่เราได้มากนี่มนุษย์ต้องการใช่ไหมเประการหนึ่งความเคารพนับถือคนต้องการมากเราก็เคารพนับถือเขาเชียร์ยกย่องเขาเขาจะได้เคารพนับถือเรานี่คนทุกคนต้องการใช่ไหมควา ม, มเมตตาทุกคนต้องการไหมเรามเมตตาช่วยเหลือเขาปรารถนาดีกับเขาเขาก็ต้องปรารถนาดีกับเรานี่กรรมฐานกรรมฐานทําทได้ฉันจะรู้อย่างนี้จริงนะ ด้วยความต้องการของมนุษย์เา่าคือเมตตาไม่ต้องการความเหยียดหยามไม่ต้องการความลิขยาตาล้อนแต่ประการใดต้องการเมตตาด้วยกันทุกคนไม่ต้องการจะอิจฉาใครแต่เราเขาไม่ต้องการให้เขาอิจฉาเราแต่ทําไมเราไปอิจฉาเขาไม่ชอบเมตตาหรื อ, อย่างไงถ้าจเจริญกรรมฐานได้ท่านจะได้เมตตาลานีอารีเอือ้อเพื่อขาเลือกะดูการไม่ต้องการเลย ต้องการความเห็น อ, อกเห็นใจกันเราเนี่ยต้องเห็น อ, อกเห็นใจกันนะยมนะสามีช่างความดีให้ภรรยาให้มากภรรยาจะเห็น อ, อกเห็นใจสามีสามีก็จะได้มีความสงสารภรรยาภรรยาก็เกิดสงสารความมีความเห็น อ, อกเห็นใจกันก็เกิดขึ้นนี่ทุกคนต้องการใช่ไหมถ้าจะเล่กรรมฐานได้จริงจะรู้จึงอย่างนี้นะ มันจะรู้จักเห็นอกเห็งใจกันเดี๋ยวนี้ไม่มีการเห็นอกเห็งใจกันไหนเลยและจะได้รู้จริงขึ้นมาแล้วนอกเหนือจากนั้นแล้วเห็นอกเห็งใจยังไม่พอพอเราคุ้นกันเข้าใจกันดีใจแล้วก็ความเป็นกันเองเกิดขึ้นสามีภรรยาเป็นญาติจัดแล้วเราเพื่อนต่อเพื่อนญาติธรรมต่อญาติธรรมก็ถือกันเองเป็นญาติกันอย่างนี้คนต้องการถือยอดถือชาต ถือทิฐิมานะเหมือนว่าโกโกว่ามึงมนุษย์ไม่ต้องการมนุษย์ไม่ต้องการทำไมทำแล้วเราต้องการเป็นกันเองเป็นญาติการเป็นญาติธรรมต้องการเป็นเพื่อนการต้องการมีเมตตาการต้องการไหมไม่ต้องการก็ไม่เป็นไรไม่ถือกันเองก็แล้วไปนะถือทิฐิมานะไม่เข้าเลี่ยงเปลี่ยนเวลานี่คือกรรมฐานความเป็นธรรมชาติ เราอยู่กันโดยธรรมชาตินะอย่าให้หรูหราเกินไปสามีภรรยาอย่าให้หรูหราอย่าแต่งเพชรนินจินดาให้มันมากเกินร่ำควรเกินฐานะเลยอย่าอยู่อย่างหรูหราอยู่อย่างเรียบเรียบอยู่อย่าเปรียบเลยไม่ละเลยอยู่ด้วยภาวนาด้วยธรรมชาติสามีภรรายาอยู่ด้วยธรรมชาติจะรักกันดีจะมีปัญญาไม่จะอยู่ด้วยเคหะอยู่ในปราสาทแะชว่ง เดี๋อยู่ในวัดอันโอ้ถงต้องอยู่โดยธรรมชาติล่มเย็นเป็นศกจากธรรมชาติไม่ง่ายนี่มนุษย์ต้องการถ้าโยมเจริญกรรมฐานน่าจะเห็นอย่างที่กรรมากล่าวชัดเจนถ้าไม่ได้ปฏิบัติ ท, ทําได้จะไม่เห็นตรงกันข้ามเนืองไม่ต้องการเป็นพวกของใครทั้งนั้นะไม่ต้องการเมตตาจากใครเลยเพราะตัวเองก็มีเมตตากับใครเลยไหนเลยได้จะเป็นธรรมชาติไหนเลยได้จะเป็นกันเองเช่นนี้นะ่ะ มาจะอาคันตุกะเนี่ยไม่ใช่จะเป็นญาติกันไม่อะไรก็กินกานสู่กันใช้สู่กันกินไม่แบ่งกันกินแบ่งกันใช้นี่ธรรมชาติไม่จะอยู่ด้วยความรู้หลาไม่จะอยู่ด้วยความเป็นอกุศลกรรมนี่คือกรรมฐานแล้วก็นเนื่องจิตใจก็จะดีขึ้นจิตใจเราทําได้ก็จะรู้ทําให้ใจผ่องแผ้วเหมือนได้แก้วมีค่าเป็นลาวชี เวลาใด้ทำใจให้ราทีเหมือนมันนีแตกหมดลดราคาอันความสุขทางใจนั่นหายางคนส่วนมากไม่ชอบแหวงหาหวังแต่สุขเพื่อสนุกเพียงหูตามันจึงพาชักจูงให้ยุ่งใจใช่ไหมตรงนี้ทำไมไปต้องการมะะันล่ะอันชีวิตไม่บริเไ ม, ไม่ไม่เป็นอันชีวิตไม่เป็นชดไม่เป็นศิษ ของเราแน่ชีวิตนี้ไม่เป็นสิทธิ์ของเราแน่ยอมเก็บแก่ทำลายทุกชาค่ขาควรที่เราจะกำหนดรดธรรมเล่งจดจํากําหนดจิตใจใจไว้ให้จงดีคือก ต, ติสีมปัญญาคือกรรมฐานนี่ถูกต้องคนดีต้องมีผลงานคนทานชอบหาเลี้ยงคนชอบรุ่งเรืองต้องพัฒนานะตปเพื่อต่อก็หาเลี้ยงกลับมาเคืองเราซอด้วย เที่ยงเราอีกใช้ไม่ได้เลยนะขอฝากพวกคณะกรรมฐานมาด้วยเรามีกรรมฐานมีสติดีอย่าไปอิจฉาริชยาใครเขาทาไมเขาอิจฉาเราดีกับเราไปอิจฉาเขาอการริษยากานันยังไม่ดีเลยกําหนดเนี่ยโกรธหนอโกรธหนอโกรธหนอทําให้มันได้ทาริชยากาันในหมู่คณะหรือใครก็ตามสาเหตุ ทำให้เกิดการแตกแยกความสามาัคคีสองเป็นอุปสรรคของการประสานงานที่ดีสเป็นเป็นเครื่องทําลายความและกําลังใจของผู้ปฏิบัติงานร่วมกันใช่มากเป็นการสร้างศัตรูให้แก่ตัวเองไม่มีใครชอบไม่ถ้าคนเกลียดก็เป็นศัตรูอยู่ตรงนี้อย่างเป็นอยู่หรือขาดความจริงใจต่อเพื่อนร่วม ง, งานถ้าขาดความจริงใจต่อเพื่อนร่วม ง, งานแล้วไม่ต้องพูดการ แสดงว่าโยมไม่มีกรรมฐานแน่นอนมีแต่กรรมฐานหรือกรรมนกรรมโทนมีแต่วิปัสสนึกไม่มีความคิดนึกสิ่เป็นส ต, ติปัญญาตึกกรองทำนองทมแต่การใดจะไม่ได้อะไรติดตัวไปนะบัด น, นี้ขอจงพออย่างนั้นกรรมฐานตั้งสติปลับไปแล้วจงทาต่อไปเช เอาไปทิ้งถ้าเจอใจร้อนไม่ได้ยังใจก็ไปบนลูกบนผัวบนเมียบนลูกบนหลานใช้ได้เนี่ใช้ไม่ได้ถ้าตั้งสติไว้ใจจะเย็นจะเป็นปัญญาถ้าใจร้อนผ่อนคลายหาสติสตังไม่ได้มันจะบนตู้เืยจุกจิกหาความสนิทสนมไ ม, ไ, ไม่ได้ไม่ได้อยู่ด้วยธรรมชาติเนี่ยอยู่ด้วยไฟสมขอนนอนไม่หลับ อยู่ล้อนนอนทุกข์ฮะความสุขไม่ได้เลยอย่างนี้เป็นตน้นือความหมายถ้าทํากรรมฐานโดยติดต่อกันไปที่บ้านคุ้โยมอย่าไปเชิงสลมให้ใจมีอยู่แนเอาสติยัดเข้าไปเท่านั้นเองทําไม่ได้จะหยิบอะไรก็มีสติจะพูดอะไรก็ต้องคิดต้องมีสติปัญญากรคิดหนอคิดหนอก่อนเสียงหนอก่อนเสียงนอกเสียงกาเสียงบ้าบอเอาไปเอาเสียงชั่วมาทําไมจะทําให้สหมองเสีย อย่างนี้กันต้นเพราะฉะนั้นเน่ยเราจะทําให้เราเกิดยึนายมีระเบียบแบบแผนในบ้านของเรารู้จักระวังตัวดีรู้จักควบคุมตัวได้ดีมากนี่กรรมฐานรู้จักเชื่อฟังผู้ใหญ่จะไม่แข่งข้อต่อผู้ใหญ่หรือผู้รัดตันโยรูก้การเวลาแน่นอนที่สุดจะอ่อนน้อมถ่อมตนอยู่เสมอนี่กรรมฐานที่ได้แน่นอน ถ้าไม่เป็นเช่นนี้อาตมาไม่เชื่อว่าทานได้กรรมท า, านะมีแต่ไฟสมขอนเนะี่ยมีต่ลุกลามติดใจให้อาวรนเนทะําทำให้หลูร้อนนอนทุกข์จะมีความถุกขได้อย่างไรกิจนิสัยท่านจะเกิดขึ้นคือแบบย า, ยางขยันไม่จับจดรักงานชู่งานประหยัดรู้จักใช้ชีวิตและทรยบสินงอย่างถูกต้องและคุ้มค่าจะไม่โซลูโซลาอีกต่อไปจะใช้เป็นประโยชน์ต่อครอบครัว ให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมและประเทศชาติคุ้นตนต่อไปการพัฒนามือสองข้าสองกรมองหนึ่งเป็นพึ่งแรกรู้จักพัฒนาตนเองและอาชีพพายุขึ้นสุขภาพพอดีสามารถคีรักครอบครัวสามีภรรยาจะเห็นอนกถึงใจกันด้วยความรักครอบครัวรักหมู่คณะรักญาติพี่น้องทุกคนเคารพบูชาพ่อแม่และครูบาอาจารย์และเป็นพลเมืองดีของชาติและตออประเทศชาติต่อไป เราจะมีนิสัยแบบอย่างอีกประการหนึ่งคือสนิสยัยมีสัมมาคารวะอุสาหาพยายามปฏิบัติตามลำเ บ, บียบวินยัยรู้จากเบียรู้จักผู้ใหญ่จะอ่อนน้อมทาตนว่าเขาเป็นผู้น้อยหรือเราเป็นผู้ใหญ่หรือเราเป็นผู้น้อยต่อต่อท่านผู้ใหญ่ควรเคารพนอบน้บูชาประกานใดมีความรู้คู่กับคุณธรรมจากได้กรรมฐาน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสเปลืกตาสภาพชีวิตรู้จกักเคสรู้จักปรับตัวเองให้เข้ากับเขาได้รู้จักแก้ปัญหามีท่าษะในการทํางานท่านิยมที่ดีงามของตอนในครอบครัวจะไปเรียนอะไรก็สําเร็จตามฐานะมีวิชาความรู้ให้คู่กับความดีมีปัญญาจะกรรมฐานงานชีวิตฝึกตนไว้ดีได้งานไ ด, ได้การดีขึ้น ไม่ประมาทฉลาดในการทำงานมีวิชาใจตัวสแสวงหาเขาจะไม่ไปโง่ต่อไปอีกแล้วนี่คือกรรมฐานไม่จะคณโง่คุณภาพชีวิตมีคุณธรรมสังคมต้องการคนมีคุณธรรมบุคคลผู้มีคุณธรรมมีคุณภาพชีวิตทุกชีวิตที่เติบใหญ่มาได้ก้าวหน้าในชีวิตอย่างเป็นระเบียบไม่เฉมทอยเพราะชีวิตมีวินยัย มีศิลป์ครองตอนไว้ได้อย่างดีคือกรรมาฐานตรงนี้ต้องการเลือกเกินญาติโยมทั้งหลายเอ๋ยการเจริญกรรมาฐานจึงเป็นหลักปฏิบัติประจำชีวิตคู่กับคุณค่าของชีวิตที่มีสติปัญญาสมควรแก่ฐานะของตอนที่จะได้อา น, นิสงส์ต่อไปดังต่อไปนี้ถ้าทําได้ไม่ใช่มาทําตื้นตม น, นั่งหนึ่งชั่วโมงอย่างตามเดินจงกรมหนึ่งชั่วโมงและเลื่อนไปทีละสามสิบ เดินชั่วโมงครึ่งนั่งชั่วโมงครึ่งต้องทําให้ได้ไม่ใช่มานั่งสามสิบนาทีแล้วกกลับบ้านเดินมันจะได้อะไรกลับไปแลกกระิ่งหลังวัดหน้าวัดเลยได้อะไรอันยุสงแปลว่าผลงานก็ไม่มีผลกลัมาฐานคือตัวไปจะยอมจะได้อะไรมาแลกบุญกันเท่านั้นหรือแต่มาเห็นเขาทวนเนีมาแลกบุญไม่มีคุณประโยชน์เลยคนที่จะเลนกลัมาฐานเจ้าอ่อนน้อมทุกขอ่อมตอนจะทําอะไรก็จะ ทำด้วยความอ่อนน้อมทำตนต่อท่านผู้ใหญ่หมันต้นข้าวรวงนาะที่มันอ่อนค้อยย่ม้อยอย่างม้ช่างช่างแพรงทั้ ง, ง, ง, งนาถ้ามีเม็ดไม่มีเม็ดมันเต็มเ ม, ม็ดมารีบมันจะโดไม่มีเดมีตาไม่มีแววมีฉลาดขาดความเฉลียวใจการเจริญพระกรรมฐานได้พ้นงานโดยติดต่อกันไปนะทําให้ท่านให้ฉลาดให้รู้หลักความจริงให้รู้จักชีวิตประจําวัน จะทําอะไรในวันนี้เนะี่ยท่านจะได้คํานวณการได้ถูกต้องของทำคนให้รู้จักป ร, ปรมัถถธรรมไม่หลงติดอยู่ในบัญญัติธรรมถ้าทําคนตัวเราทําได้จริงก็ทําให้มีศิลธรรมและวัฒนธรรมอันดีงามและทําให้ตัวเราลักใครก่กานสนิทสนมกลมกลืนการระหว่างพี่ระหว่างน้องระหว่างสามีภรรยาจะไม่ทิ้งความกันแน่นอนทําให้เรามีความเมตตา อรุณาและพรอยืนยืนไงเมื่อเห็นคนอื่นได้ดีทําให้เราเป็นคนคนดีกว่าคนเย็นกว่าคนให้เป็นพระเจ้าเฉยทาอะไรก็อารมณ์เย็นทําอะไรก็เห็นใจการและกระทำให้เราไม่เบียดเบียนกันแย่นจากเอาลัดเอาเปรียบกันได้แน่นอนและทําให้เรารู้จักตนเองรู้จักการพึ่งตัวเองรู้จักการสอนตัวเองรู้จักปกครองตัวเองได้นี่ทิงจะถูกต้อง ทำให้เราเป็นผู้วางหนา้าสอนง่ายไม่มีมณะถือตัวคนที่ได้กรรมาฐานจะไม่มีมณะถือตัวเลยจะอ่อนน้อมอยู่เสมอจะว่านอนสอนง่ายใครจะตาเตือนว่ากล่าวจะเชื่อดาอย่างงาั้นคนที่เถียงไม่เชื่อนั้นไม่ใช่นัธรรมะไม่ใช่พูดสอนยากแล้วดูได้อย่างนั้นก็จะถือว่าถือมณะถือตัว ไม่ใจะโกรดคนที่เขาสอนโกรธคนที่ตักเตือนว่ากล่าวนี่มีมณนะถือตัวทําให้เราหันหน้าเขาหากันลักลอ ง, องดงองเหมือนญาติพี่น้องรวมกันลดที่ทมณนะลงเข้าหากันเขาลดพึ่งเราลดพึ่งก็หากันได้เราก็เดี๋ยวก็ตายจากโรคไปแล้วนะ่ะลองดองเป็นญาติพี่น้องรวมกันแบ่งกันกินแบ่งกันใช้ไม่ดีกว่าหรือ เดี๋ยวก็ตาจากโลกไปแน่อจากโลกเขาจะล่ำเลื้อแปลการได้และทําให้เราเป็นผู้หนักแน่นในกตันโยกาตวเวทิตารธรรมจะไม่เลืมพระคุณบิดามดาผู้มีบุญคุณครูบาอาจารย์จะเลืมไม่ได้แน่ทําให้เรามีกายวาจาใจบริสุทธิ์จะพูดจาพาทีก็มีเหตุนิพพนจะพูดจาก็มีศัจะวาจาอจะเป็นดีงาม กจังเละมาตาวาจาวาจาศัตร์เป็นวาจาที่ไม่ตายเป็นวาจาบริสุทธิ์ทำให้เราได้รับความสุขความเจริญทำให้เราพ้นจากความเศร้าโศกปริเทวนาการใช่หรืไม่ทำให้เราได้ดับความทุกข์ร้อนทางกายทุกข์ร้อนทางใจและทำให้เราเดินทางด้วยความถูกต้องทุกประการทำให้เราได้บรรลุมากผลนิภานเป็นประโยชน์สั สามากป้องกันภัยในอบายภูมิได้ทำให้เราดีกว่าผู้ไม่ปฏิบัติเรายังดีกว่าผู้ไม่ปฏิบัติแม้แต่มีชีวิตอยู่ได้ตั้งร้อยปีเป็นปัจจัยให้เราได้บรรลุมาโคนิพาในภพชาติต่อๆไปทำกิเลสคือโลภะโทสะโมหะให้เบาบางลงไปบ้างตามจำควรจากสภาพาแล้วทำให้เรามีใจสุขุม เยียกเย็นคำพิลาพาจะพูดจาก็เพราะจะพูดจาก็หมอะเจาะจะพูดจาภาทีก็มีแต่เมตตาจะไม่เจียรนด้วยโธชะเมตตาปราณีต่อการใจก็เยียกเย็นเห็นใจซึ่ง ก, กันและกันทำให้เราเป็นผู้มีสติรอบคอบอีกมากมายมีสติรอบคอบชอบระวังตั้งใจตรงทรงทิ้งความได้อย่างถูกต้องทำให้เราจาดีขึ้น เป็นประโยชน์แก่นักเรียนนักศึกษานิสิตมหาวิทยาด้วยทำให้เราจาดีขึ้นจะไม่เลืมไม่เลียนจากสมองของเราต่อไปทำให้เรามีโรคภัยประเจ็บน้อยลงไปโรคภัยประจำตัวโรคขืดโรคหอบจะเป็นโรคมะเร็งโรคอะไรก็ตามขอให้สร้างกรรมาฐานจริงโรคจะน้อยลงไปจะหายไปและจะไม่เป็นโรคคิดบ้าบอคอแตกน่าจะไม่เป็นโรคประสาทอีกต่อไป สามารถเป็นพาวปะปัจจัยนำให้เราไปมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติไนดะ้ทําให้มีความเชื่อเลี่ยงสายในพัฒนายิ่งขึ้นเป็นทวีคูณสะดวกแก่การอยู่ร่วมกันสะดวกแก่การเห็นใจกันสะดวกแก่การที่เราเป็นญาติกันพูดรู้เลี่ยงเข้าใจกันง่ายเป็นข้าหลักศพเดือนหนึ่งพูดดีๆเข้าใจง่าย พูดร้ายเข้าใจยากถ้าพูดดีมีปัญญาสมานไมตรีเป็นมิจันเรียกว่ามนุษย์อย่าสัมพันธ์ผู้นั้นจะมีแต่มิจรภาพมีแต่ความรักเมตตาต่อกันจะไม่มีหายนณะจะไม่มีจักรลูอีกต่อไปแล้วมีแต่เมตตาแผ่เมตตาให้จัรูเป็นมิกับเรา จิตใจเราไม่เป็นศัตรูกับใครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปขออะนุโมทนาจารุ ก, การแก่ผู้ปฏิบัติกรรมฐ า, านโดยถวนากันชาวทั้งหลายปฏิบัติได้ตามเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้นทุกประการชีวิตคงจะไม่ผิดหวงังจะไม่ชินหวงังแห่งชีวิตที่เกิดมาในสาติโกนโลกนี้ทุกประการชีวิตจะแจ่มใส ที่เบิกจะปราศจา ก, กทุกขีชีวิตจะเบิกบานทรรท้าทีวเบิกจะลื่นดีบลิก็ถี่ไปยกหยุดยกไว้ในใจจิตใจท่านจะพ่องใสใจสะอาดหมดจดมันทองคำธรรมชาติที่รอแล้วยอมจะเป็นไปตามธรรมชาติอันหลนักการนี้ทองคำเอ๋ยต้องสู้ไฟไม้ใหญ่เอ๋ยต้องสู้ลม คมจิตตั้งสติต่อสู้ต่อไปชีวิตนี้คือความต่อสู้ศัตรูทั้งหลายเป็นยากำลังเพิ่มบารามีให้เรามีกุศลบุญยาลาศีทำงานบายหน้าอย่างเมืองปกาศิลาศึกษาวิชาการจบครบถ้นทันเวลากอบายหน้าไปสั่งสอนประชาชนสอนหลูกสอนล้านสอนโยมพ่อโยมแม่ ให้ปฏิบัติธรรมและสอนให้บำเพ็ญทานมสิ้นละภาวนาให้ถูกตำลักอัญยวิธีทางพระพุทธศาสนาโดยถวนากันโอชลละขันจะโดนบันดาลย้อนกลับให้เราพุทธบาลิชาตทั้งหลายทางพระเทศานุเทละบรรพเชและคาริหัสอุบาสกอุบาิกาโดยถวนากนรึงงอกงามไพยบูรในพระพุทธศาสนา และขอให้จิตใจแช่ชื่อเบิกบานันซาโดยถวนาการขอให้จิตใจนั้นตรงเข้าสุีจดมุ่งหมายแห่งปัญญาญาณผลงานจะย้อนกลับหายยากโยมพุทธร บ, บริษัททั้งหลายจะสบแกกความสุขความเจริญโดยถวนาการตรงเจริญไปด้วยอายุวันณะสุขาพรรปฏิพ า, านตนาจารยลาสมบัติ นึกคิดสิ่งหนึ่งปริการใดขอให้สมมากราธนาะด้วยการทุกๆ ท, ท่านนะโอกาสบัดนี้เทอนขอจเจริญพรด้วยการทุกๆ ท, ท่าน